ทุเทยียนเสียสละไม่มีใครสมองหมุนได้เรื่อยๆถึงวาระเนถึงวาระสุดท้า ย, ยอพะเวทขนน้อยกระดวงก็ะเทือนทั่วโลกความเสตยะด้วยสมิสตาเองที่ทำให้เป็นกรนดีไม่ใช่อะไระที่เสียสละเพื่อให้ทางไมิสตา ในน่าสมโหนก็เป็นเชื้อระดับทุกิ่งทุกอย่างพระโพธิยานทำบาลงบนแท่นธาตุก็มาสุมทอดถอยเป็นจักรสรุทำเป็นศาสดราสุนพระไทยหมายแล้วก็น้อบอกคําสอนโลกไม่มีอำนิเกี่อวผลนอกจากสรุและกระชุนเรียนยานเรียนยานดูสัตว์โลกใคร จะไบรรลุธรรมก่อนขนาดก็นหมดาบททั้งสองเทวินดบท อ, อุทก า, าบทลยน่แล้วอกควนที่จะได้บรรลุธรรมก่อนแต่พรสนนะสงฆ์ทรางในขณะเดียวกันนั้นว่าสทีวิกษารณ์ั้งแต่วันนี้น่าเสดายก็ต้องเลียงดเีนเป็นตลที่ทั้งห้า เือนันเลยดิเรื่งองหัวใจคนมเรื่องหาเงินหาทองหาเข่าหาของหาความโลภนักถือหาตากสการะเหมือนอย่างทูกวันนี้นะอืดูเรื่องถือเป็นนโลกศาสนาตั้งแต่าทอนททวันจุวันศาสนาธรรมเป็นธรรมจริงๆผู้ทรงทรงธรรมาจริงๆปฏิบัติธรรมจริงๆเจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรม เกี่ยวข้องกับผู้ใดเป็นทํามทั้งนั้นไม่มีโรคเขาไปเกี่ยวผลนี่แหละทำแค่เป็ยงนั้นเพราะฉะนั้นภาษาออกไปที่ไหนจึงทำความรลกเบียนให้แก่โลกแล้ น, นมากมานไม่ไปรบกวนสิ่งใดกับใครค mm. วร น, นึ่างนั้นไมไ่ควรนี่แต่ความสงข้อโลกไม่ได้กวนโลก สรางอะไรก็ไรู้นะมนมีโรคเขาจเกลื่อนผนพอยู่พอเป็นพอไปบอกในการบวชกับลูกขมัวเรืเร่นาสนังเนี่ยฟังไม่บอกให้สั้งอราส า, าทราชนาเทียนยูีะดวกส บ, บานนั่นนี่ว่าลุกขมัเรือนาสนางังฟันเชื่ออยู่ขรของบนามี้ไม้ขาเขากพจะได้เห็นพทิพไทย เพว่าตะสงสารทางปฏิบัต mm ิจ hmm. ะได้เป็นแข็งความเป็นอยู่โปรยแบบนั้นกันเพราะยังคิดคือเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอเพราะว่าในปฏิบัติทำสมใจเป็นของสำคัญสงสารว่าไประกาศประกาศโฆาก็เพื่อทำเลืนล้วนเพื่อใจคนแท้ เปอยโลความมิตรนทั้งหมดเราลองเทียบดูดีไหมขั้นพุทกาก็มีแบบแผนตำลับตำาอยู่แล้วใครๆก็เห็นน่าสนใจทําังไงกันยไงท่านอยู่กันยังไงท่านปฏิบัติกันยังไงัใจเป็นธรรมทั้งหมดนี่เป็นทรรบาตรยังมีใน อาหารเราบินสบาจิตมันแยกยดดยออกไปถึงบอาหารมัไม่ได้อาหารดีเลยมาฉันบางนาเพราะว่างั้นพอรู้สึงนั้นหยุดทันทีไม่ไปเลยจิตสบาอไปเพื่อพุงเลยนะไม่ไปเพื่อทำมันจะหยุดเลยไม่ไปตรงนี้ในตนนํำราในตำพีนั่งนั้นระดับสั้นบันทึความเป็นที่นั้นเรื่องทั้งยิ่งเหล็ก เราแก้กิเลท่าน้งส่งหนี้เป็นภัยท่านถึงจะเป็นเสนาของพวกเราทั้งกาสัญญาฉันทั้งกางสัญญาฉัท่านอย่างนี้แล้วที่เป็นกลางสัญญาจะเป็นท่านเ่าัหนเราทั้งหลายนี่แต่จะเป็นเานะของตัวเองก็ยังไม่ได้จะเป็นกลางสัญญาฉันนี่เกบประชาชนอ่างเดยได้หเป็นเ้นานะทรงยังไม่ได้ช่วตัวเองก็ไม่ด้หังผิดัน อีกชาตาก็่อเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาตั้งสี่คำพีเลยที่ไหนคำีใบลานคำใดแบบแผนปฏิบัพลังงานมีอยู่อย่างสมบูรณ์การปฏิบัติมันก็เป็นฆ่าผิดต่อธรรมหนึ่งโดยลำบากลำบากแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจนี่จะเป็นฆ่าสิดของธรรมฆ่าผิดของพระพนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายพิเรศเสมอ แล้วจะเร า, า, าพระขนิพานมาจากไหนพิเรศไม่เคยให้คนได้บรรลุพรนิพานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่าพิเลศมีศรรมีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเท่านั้นที่จะปลีกพระขนิพานให้คนได้ให้ผู้ปฏิบัติได้ไม่ได้สําเร็จด้วยการอารมก่อนปันรู้สูงสูนพิเลศทั้งหลายนเพราะนั่นผู้ปฏิบัติจึงเล็ง อย่ามองไปอื่นให้มองไปพุทธทางทำมังสะการสนนิษฐานเป็นหลักสําคัญความพึ่งเป็นพึ่งตากับท่านภายในจิตใจก็พึ่มแล้วความพึ่งเป็นพึ่งตากับท่านในข้อปฏิบัติหรือท่านชิ้แจงแสดงว่อย่างไรหรือท่านปฏิบัติอย่างไรท่านดําเนินอย่างไรนั่นก็เ็อีกอย่างยึดอย่างนั้นแต่ยึดเป็นขั้นขั้นเลยทำให้ต่อยง ลมมีอย่างนี้แล้วเขาจะสืกสันต์ปดีานานไหนนี่ก็องเราเห็น่งเนี้ยปฏิบมันอะไรนี่ปฏาบัติันนั่งเป็น น, นั่นคนนี้คนนี้เป็น น, นั่นเป็นนี้ว้าววิเศษห่าอเล่าคนรองชอบยอกินแต่ลกมลกระอักอขายกยอเฉินอาเป็น น, นั่นเป็นนี่โอ้ยผืนผายตาฝ้าตาฟางจนไม่ไดมองเห็นทาง นี่เป็นมอดพ อ, อตกกระป๋องเนาะไม่มีใครเยอะแลยแล้วอะไรทุกขเกิดขึ้นนะไม่มีใครนับถือนันนั่นีน่นนนนนน้นโลกเปนนั้นฟุบลงพุบลงนั่นเป็นเร่องโลกกะระทำโลกกระทำคือเป็นอะไรเป็นเรื่องของจิตเหล็กนีาจะรู้โลกกะระมก็ต้องเป็นผู้เรียนทรรม เัมืนูนดอกออมมีอะไรเล่นถึงแฟ ง, ง ม, มันกระสานเสมออยากจะมองอะไรเรียกถึงเต้นข้าวโลกข้าวสงสามมันแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดทฤษใ ด, ดก็อยู่เถอะความมั่งมีสูสุกขนาดไหนล ง, งนามามากน้อยมันอยู่ต้หน้าที่เหล็ที่เหลเอาเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มีหาความสุขที่ไหน ดูยังคือเนื้อคือผิวมันหนึน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูรูปกาภาพนั้นคือผิวเพราะเราไม่ดูเป็นแบบโลกโลกเล้วดูเป็นแบบธรรมเท่านั้นมันจะดูคือผิวมันมันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นของมันเองมันจะมีแงกของมันจนได้ที่เป็นงานอ่านไปตรงไหนที่เป็นงานไปพิจารณาถึงเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลก มันเปลี่ยนแปลงกันทางไหนมันมีพุ่มมาเปลียนงไงมันจะเป็นส้าเหตุนามาชึ่นคว hm bon oh. um um ามตื้ความตัวความนามันคนดความร่มละลายมันดูไปงยันไะเวลาชุมนุมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรแบบนี้ล่ะแบบเบียร์แก้วน้งชาแกจวเหล่าแล้วแบบนี้ตางคนต่างถือแล้วต่างถาภาพ ยิมแต่งหมือนมีความสุขความจิงมันมันเป็นจิยญน่นั้นโลกหัวใจไม่มีมันไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาทั้งแห้ง่นัทาไรเพราะถึงมันหาให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือพิรุธมันฝัมในใจเรามาเตรียมแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นเลยดูมันซึ้งในใจมันดู ไม่มีหายใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหา ค, ความสุขเจอเพราะไม่ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมาั่งมีเพราะความเรียนมากมเรียนสูง<ม>เพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ทำเห็นทำแจ้สิ่งที่เป็นการสุขอยู่ภายในจิตใจออกนี่หละ บอความสุขก็อที่นี่บอกความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปวด่อยพาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สําเร็จงานของเราให้สําเร็จแล้วหรเท่านั้นน่ะจริงงานของเราเ็งานกรรมาฐานเราไหมฮึบางคนที่เจ้าสอนสอนงานกันแต่วันบวชเซี๊ซ่าลงมานะคะันตาตาตัว ต, ตัวดันตานาคะนาลงมาเซี๊ซ่านาอันนี้เป็นเอกเทศ สอนที่กระเทือให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนเราเป็นกระทูเหมือนเป็นกระทูก็แต่บวมมัดถือมัดเอาไว้เป็นกลุ่ ม, เ ป, มเป็นมัดเป็นมัดแล้วนี่นที่คลายไปที่ประมาทห้านี่ที่ไหนมีอยู่ในกายกระจายไปจนทั่งอาการฐานที่สอง กระจายออกก็ให้รู้แจงนี้คือในการสารของกระจายไปเทียบเท่ากันทั่วโลกทั่สงสารไว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้ น, นแต่การกระจายนี่อยา ง, งานงานของงานเทานการหรืองภพเรือชาติเรื่าตวัฏสงสารออกใส่เรืองกิเลสกันหาอาสวะออกใส่คืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ลงแสดงให้หมดแล้ว <c oughs> อยู่ก็บโมระเจ้าธนาธนาเอาเนตามต่าตามเขาทำท่อมเนื้อผาหลือว่าบอกไว้หมดในสถานที่เรี่ยงขนาดป่าในสถานที่เหมาะสำหรับงานรประเภทีงานประเภทนีนเหมาะใ น, นสถานที่เขนนันาดการขบกันฉันก็ไม้พ ร, รุมพลังไม้ท่อมท่มอม เ, เพื่อเพื่อเพราะจะเป็นการ กังวลกับเรื่องการดูการกินการภาวนาจะนีอยฉันเสมอเดียวเท่านั้นพื้นเพยจริงๆทั้งๆเสมอเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มเข้ายาครูยาครูก็าแปลว่าเขาาต้มเองดื่มน้ำเขาต้มควมมีสบัดได้ผมแต่ทำไม like ว่าเงินได้มาเนอ่เราเรานี่ยยิ่งฟั ตอนข้าตอนกลางเพลนตอนเผลนดีมันมีฝ้าตอนข่ำเลือดใครเลยไปรู้มันมียืันสาอันเต็มหัวใจแล้วมันจะไววหน้าใครอืมอันี้มานมันหมดนายจางส ม, มเหมือนกับ น, นกมันจะปีกกระหสาของแขวงแขวไม่พลุมพลัง มองหน้ามองหลังการดูการกินโลกเขาอยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินหน้าเรากินได้สมมุติว่าอ า, า, า, า, า, า, าหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีนั่นว่ามันไปอย่างนั้นแหละยองหน้าในทานนั้นเหมือนกันหมดกินได้หมดทั้งหมดผิดจากพระวินัยนัน่นสอนท่ายั ง, งง่ายยังตัวง่ายไม่เพิ่มไม่ให้กังวล เราเป็นคนทั้นไหนคนทั้นสูงทั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมนะาก็กินตามเงื่อนไขเราถ้าไม่ผิดกระโดดกับภัยอากาศกระถางเขาขันกินไปคนยื้อให้เป็นตายในวันหนึ่งวันหนึ่งารความเลี่ยรไม่ลดละไม่ถอยหลัง ทำงานอื่นใดมายุ่งเป็นทานความเพียรพยายามทั้งเกิดดูจิตจิ ด, ด, ดนึคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์เหนจิตจ <สะ S 1> ิตเป็นผุกผิดขึ้นมาตรงขึ้นมาให้ความเข้าใมีไม่อวดเข้าใจจริงๆไม่ใอะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอะมันลง อ, อารมณ์ของตัวเองคือจิตมันเอกไว้ว่าผ่านเรื่องผ่านเรื่องผ่านเรื่องนี้อยู่ตลอดเลย คิดเรื่องนะคิดเร่องนี้คิดมันอูกับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่เนื่องกันไปโดยลํำดับลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยธรรมารมณ์ทำมาให้หลวงเทินไปกับเรื่องกับเราในเวลาจิตสงบเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีหายเงียกับเวลาที่เราทําหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำแบบใดก็ตามแง่ใดก็ตาม เราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเห็นหมาเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทําลายจิตใจจิตทาหน้าที่เพื่อถอนตัวถอนไม่ทําหน้าที่เพื่อสังสมเจริญโดยการคิดตามอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมจิตก็สงบเย็นปัญนาหน้าไหนเยนนิชัยชเย็นเรื่องจิตนี้วมันก็รวดเร็ว เราไม่ทันนั่นแหละย้อนคิดไปได้วย้อนคิดไปแล้วเมื่อเดือนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปหยิบละเอียดเข้าไปสติปัญญามันมีความยั้งคงขึ้นคล่องแคล่วแจ้กาขึ้นโดยลําดับนันก็ทันทีแ่แยกออกไปรเร่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปลุงพับมันร่้มกระดับพับมันก็ไม่มีเรื่องแต่ปรุงเรื่องยืมเรื่องชาเรื่อง เรื่องช่วนเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีคนนึงพูดงว่าผ้าปเปื่อนลาวไว้หลอกละครเหมือนกัเขาดูหนังในผ้าอย่างเงี้ยในจอนในแกนดูหนันงลุกเฉยเงาเฉยเป็นบ้าอะไรเง้องอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์เหมือนก็เหมือนนั้นเงาขงมนนันเป็นน้ำมันทันทันขนาดที่มันตูนขึ้นแยบเรื่องอะไรมัน มันก็ดับเพร todos, าะติทันมันร้ทันปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมไม่ไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้เราจิตถึงดวงเวลานี่นตายนเขาการจิตเกี่ยวก็เป็นจิตเป็นสมาธิก็าต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ออกนอกจากความรู้โดยนั่นก็เลยไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัว พ่อไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยนสถานที่มีเสือจริงๆด้วยอ่ะต้องฟังคับจิตแม่มันส่งต่อภายนอกเลยมันรู้อยู่แบบนี้เป็นกับตายกับมอดแบบนี้จนกระทังมันมีความอาจฐานทางนใจให้สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อทางมันจะเดินก็ไปหารูปครรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั่นไม่นึกว่าเสือจะทําอะไรได้เลย หรือาจจะเป็นความจำคันปีทังตัวเองก็ได้แต่แต่สําคัญปีนสมันถูกก็ตามเมื่อปีนได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกลัวใจความกลัวก็ไม่มีปีนมีกําลังเพราะไม่ให้มันออกกําหนดของเลื่เยๆไปมันเป็นกําลังเอนแน่นปังเลยอ่าขึ้นชั้นอันตรายอะไรก็มาเถอะวางั่นเลยนะมันอาถรรพ์นะเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างนั่นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะ ยังมาทำลายเราได้อยู่เดินก็ไปหาได้อย่างสบายแม้จะมันจะทําเราให้ฆ่าเราให้ตายในขนาดนั้นก็รู้สึกจะตา ด, ด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองการตาย ด, ด้วยแบบกลัวนี้คงเป็นไปไม่ไ น, น้เพราะเวลานั้นจิตมันมีกําลังอืเป็นวิธีหนึ่งทางการระงับความกลัวาการัะงับความเครงเคความก่อปวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่า ง, างๆระงับอย่างนี้ประกันพรอมันกล้าเข้าสูา่ปัญญา เอาที่นี่เป็นอยู่แบบห น, น, น, นึ่งนะตารนะครับความกลัวเป็นอยู่แบบหนึ่งเพราะปัญญาและสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางลู้อิท ธ, ธิปฏิบัติต่อตัวเองเห็นเรื่องเมือ่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิให้สงบไม่ส่งกับแต่หาเลมว่าเสือว่าช้างว่า ง, งูว่าอะไรวอันตราอะไรทั้ไม่ให้ส่งไปมันกม็มีเรื่องควรตัวเองก็จิตไม่หลอก พอจิตกล้าเขาวิปัสสนาเนยับถุงโยนเสือเนี่ยมันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถุงภาพเสือมันก็ทันแล้วอ๋อถุงภาพเสืออ้าวทันก็ก็ตามให้มันตรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกธาเสือทั้งที่เขียนคือแยกคำว่าแยกธาตุเสือแยกอะไรเพราะเราดําเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เกามรทำสมาธิมันไม่มันไม่เห็นด้วยอีก มันไม่ถนัดถนัดในการแยกอเสือกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจรินคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสือไว้งั้นเราไม่ให้มันดับพอเรารู้อยู่แล้วว่าภาพของเราออกไปหลอกเจ้ของเอาตั้งไว้ภาพนี่กลัวะกลัวอะไรคืสติปัญญามันทํามันทันความเคลื่อนไหวของจิดมันทันเองนะนะมันแก่กล้าอะไมันทําเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่พูดให้ผู้อ่านฟังนี่คือการฝึกจิตตัวเอง มื่มันรวดเร็วแล้วมันทันภาพรุงคือเรื่องอะไรป้ามันมั น, ม, นมันเห็น น, นั้นมันรู้ น, นี้แยกออกไ ป, ไปแดงทันทีพอรูปภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เราไมนะ่ไม่ดับเราแยกมันเ <Yeah. S 2> พราะเป็นรูปแาบของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนปิดใจให้เรียเข้าไปอีกเรแยกท่ากําหนดดูเสือกลัวอะไรมันอ่าไล่เที่หายหล่ะ กลัวตามเมตตาเราก็มีเห็นกลัวน่ะมันแก้เลยนะกลัวแล็บเหมือนเล็บเราก็มีเห็นกลัวเน่ยกลัวคนมันเหลือขนเราก็มีเห็นกลัวนะถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราสิคนนั้นขนเราก็อันเดียวกันท่าอันเดียวกันนี่กลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่อาจจไม่มีจนกระทั่งถึงหางโบัวณถึงหางนี่ก็มันจะจนมันก็ไม่จนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหลอ กลัวหาเงนตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรแน่มันแก้มันทำนะอืม อ, อกจากนั้นที่นีนกําหนดกระจายเยี่มันกําหนดเพราะมันมันรวดเดินปัญญากําหนดที่แตกกระจายกำหนดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงพุทธจิตออกมาทีก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันมันออกเป็นเป็นภาพเป็นภาพเสือให้ ม, มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณาแล้วที่มันกำหนดทนี่มันกระจายไปเลยกําหนดกระจายให้จิต ม, มันไปแวบอค่ม เขเป็นภาพของจิตเองนี่สติปัญญามันทันเองมันทําลายกันเองโดยสมมติว่าเสือเดี๋ยวพ่สถานที่เหลั้นมีเสือมันกลัวงั้นอ๋อนี้ครัมันดูซะก่อนมันหงไปก่อนมอดพอปรุงเครื่องพับมันก็าภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพความที่นี่ก็จะกลัวอะไรก็มีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองกระ ห, ระหรังเสือว่าช้างว่างูว่าอะไร เจอจริงๆก็เงมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียันก็ธานุมันก็ธาตมันไปนั่นเสียอิกมันคลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่คลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันมันว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกระแสงห้อยมันเป็นลงมาเองแยกเป็นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะปิดมันครอบร่างกายมีว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุที่อยู่ด้วยแล้วคือไปกลัวอะไร ว่ายวิธีแล้วนับจิดเป็นอย่างนั้นนับความสุขนั่นคือวต้องใช่ว่ายวิธีปติปัญญาให้นําออกใช้มือนนั่งเฝ้าอยู่เฉยขอให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะแบบว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งหนึ่งแล้วสมาธิแค่คไหนปัญญาก็าทนกระทัดแต่ตามขั้นข้ามา พุทธมาถาอบายค้นหาอุบายคิดพุทธพุทธมามันะเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เข้าใจทําให้เข้าใจ่ที่มันกเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นมัน ก, ก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแจ้งเรื่อยสมาธิเป็นตัวเพียงมือไล่เฉลี่ยเข้ามารวมตัวให้ใจสงบอยู่เยือมวุนว่นวา ย, ย้าไม่ทึ้งสร้างรวมตัวที่มีปัญญาผู้ขี้ถ่าย เพื่อเหตุเพื่อผลจะแก้ที่เลสเหตดผลพร้อมที่ตรงไหนที่เลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนที่เลสหลุดลอไปเรื่อยๆเรื่อยอใจก็เกิดความสะดวกสบายถึงคุณค่าของปัญญาถึงหมู่เน่ยเ่นเือยเรื่อยเรืยความเพียรไม่ต้องบอกถระองปัญญาได้ออกก้าวเินแล้วนะหนึ่งเรื่องความขี้เกียจที่ข่ามปัญหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้น่ะจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าสถานที่เป็นอะไรไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลย สนใจแต่กิเลสตัวมันกลวนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะี่เลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย้อนเข้ามานี่เสืออกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเปลี่ยนเปแนของเสือมันอยู่ต่อสัมมันต่างหาถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือมานูรุงขึ้นมาอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาขยัาจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเก็บความสารของจิตนี้เองมันมาขยับจิตใจเองให้รับความทุกข์ความมาเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แน่ มันอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นภายนอกเป็นไผ่ไหมมาเข้าถึงขั้นความจริงจิมันมีต่เิเลสกิเลดเป็นไัยอะไรกิเลสเป็นไัยอยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ก็ได้ได้มาที่นี่เหมือนจะไปตะคุบเงาอยู่นู่น้อกนู่นทาไมนี่ปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติวตอย่นี mm ้ม hmm. oh ันรู้อยู่นี่เห็นอยนีอะไรก็นคึ้แลงขึ้นอะไรก็คือว่าเป็นเรื่องขกเลสแล้มันทันกันทันกันทันกันทันกันเลื่อยเล่อย การปฏิบัติธรรงนะผู้ใรเป็นผู้ชอบคิดชอบคิด้พิจารณาผู้นั้นล่ะจะเข้าใจไดงดีแปลว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเว่าที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อยังวนได้เป็นเหมือนดับเหมือนกัน เราจะไปคาดว่าเราไม่ม <een d> ีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาทธิแต่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้ที่นาเป็นยาเป็นแม่จะละคาบหมายอ่ากิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่หนมันบอกเราแต่มาแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเปลียนแปลงหัวใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมานน่เราต้องคิดเทียบดนวยกิเลสไม่เห็นว่ามีขั้นไหนภูมิใดมันทํามาเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา เวลามีทเมเงื่อนไหนที่เราจะพิจารณาทำมาจะไม้เป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธร ร, ร, ร, ร ม, มต้องหมกันปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสันพันข่มไม่นั่น ไ, ไม่ทันไม่พันนีพิจารณาอยางนี้ยิ่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไรมหาสติมหาปัญญา อืมคนกลาวตอนนั้นมันค่ามันหมายนะจิตใจพระโสดาพระกิทธาพระนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสกิทาบรุารนาคาบรรลุอรหัต ส, สหานะหลัมันก็ค่าไปตามแบบนี้ น, นะความบรรลุของเราเร า, าก็จับบรรลุอย่างนั้นเราจับบรรลุอย่างนี้มันก็ค่าไปทีนี้ความค่าเหล่านั้นอ่ะ กับความจิงที่เราปฏิบัติไปมันจริงเป็นคนลโลกไ ม, ไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนลโลกเหมือนเราว่าภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะอืมแล้วเมื่เกิดเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอรชิงตังนเชิงตะไรอเงี้<ม>ผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากําลังวาดภาพมันอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพเป็นหนึ่งทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพมันีรแล้วก็เชื่อมันว่าเป็นนั้นพอไปเห็นขา้างนั้นน่ะ ภาพที่เราวาดไว้นั้นนะกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นขึ้นมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพเข้ามาประกอบทุกๆสิ่งทุกอย่างทุกๆครั้งทุกๆเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็มันยองเหเพนะระาะนั่นจึงวิาะห์ละียดมันก่อมคนให้หลักสนิทวาดภาพมีวาดภามัคคาาาุันเหมือนกันคุณเดชโซดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นคุณจิตกานาาเห็นจะเป็นอย่ า, า, มมางนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันวาภาพมันไว้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกกั น, นงนั้นเราไม่ต้องไปคาดเป็นหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมงัคคุนิพานให้เกิดภ า, ายกิจกตใ สติเป็นของต้องการควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลตะไหลต้องมีสติควบคุมทุกกระทุ้บเธอเพราะเป็นงานจะไม่ทุกง่ายงานประเ็ทไหนงานนอกงานไหนมันก็ต้องมีความยำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทํางานอันนี้ก็เราทํางานติตตภาวนาสติก็ต้องมึนทั้งมังค์ครับงามันเห็นดเลย เรื่คอควา ม, ม, ามเห็นด้วยความข้างยะอารมมันผิดไปกับความจริงนะผิดกันมากหรือเห็นด้ความจํากับความจริงเป็นคนละเร่องหลัที่ว่าเห็นกายเหมือ น, นกันผมเคยเห็นแล้วที่หนาล้วก็เอาไายคาดไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนที่หนาก็ยังพอพอมันได้จังหวะ น, นี้จิตมันกําหนดจับปั๊บเข้าไป น, นมันติดนั้นปั๊บทีนี้มันไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยนี่เปัน ชัดเทาชัดเท่าชัดเท่ามันชัดไปหมดทั่วร่างกายเลยทมันกระจายหมดเหมือนกระดาษซึมมีอมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนมระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพันงไปแตกไปมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมชัดมันพองตัวออกมามันเป็นไ ป, นปนอย่างรวดเร็วนะ ป, ปุ บ, บ ป, ปั บ, บ ป, ปุบปับปุบปบปุบปัยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชโอเห็นอย่างนี้เหลอเห็นการ เห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรือมันชัดนั่นนี่นั่นนี่แหละบรรจากาศสิทธิ์คือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นดที่เป็นความจริงจิงเป็นอย่างนี้ผิดกับเห็นโดยความใจชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าอันนั้นขาดออกนนี้หลุดตรงไปโดยที่ไม่กำหนดมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรุ่นเห็นอย่างไว้อย่างนั้นะในจุดเดียวที่มันกระจาย้งหมดในร่างกายของเราในขณะที่จะน่ร่างกายตัวกําลัง อาัยวะส่วนนั้นขาดลงนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั่นมันไม่มีความรู้สึกกายนะมากการยมีนยะหายเงียบไปหมดแต่ถ้ามพิจารณากายโดยนะั้นดูนั่นแหละน้ำไปยังไงตัวท่านมันลงถึงที่อยู่แล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายอย่างเป็นมีส่วนน้ามันกระซุมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลงไปภายทางสภาพขึ้นมา พองนั้นนึงก็งว่ า, วางเปล่าไปหมดจิอคือเห็ท น, ทนที่เนี่ยเห็นอย่งทัดทันเียคือเห็นอย่างขรุนกระร่อรวมกระดูกระหม่อมนอกน้ำกระจาดมันมันกลายเป็นน้ำเป็นองค์ายเป็นดินไปนหมดน้งออกไปดำ น, น้นเหมืออแท้งไป ส่นที่มันเปื่อยงน้ามันก็เป็นวินไปอย่างนี้โดยส่วนที่มันไม่ง่ายเป็นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกันมันทํางานมันเองเลยนะเหมือนกับมันกวาดธรรมตะล่อมมันก็มารวมกันเป็นกองการที่จะเอาไฟเผามันมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งล่างมานกลายเป็นอย่างนี้เป็นธาตุนี้มันลําพื้นมันสลบสังเวทนะสร้างกายตัวเองถูก นานาจนเปื่อยสลักหักพังไปงเหลือจะ่เป็นกระดูกแห้งๆดูนี่ยังประตูมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นได้อย่างนี้กำาั ง, งกหนดอยู่ในกองนั้นอ่ะไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปุ๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปุ๊บทันทีเมามาปิดตรงนี้มันมาตกกองกระดูกที่เรากําลังกําลังทำ การมากรมกรบกันแผ่นดินมาจากที่ไมากรบกันปุ๊บนั่นก็เป็นธรรมศนาอันอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่างั้นลงว่างหมดเลย่างหมดมันมีอะเหลือเลไ้างออไอเครืบองบกเครืองวกว่างวางว่างยังไงบง หมดความสําคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมันเสาอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรืนอนอยู่อยู่กุฏิหรืออยู่ล่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สําคัญทั้งหมดในแต่ความว่าความรู้หลังอย่างละเอียดสุขขุมเป็นความอัศจัรของความรู้อนั้นอยู่เท่านั้นถึงทำได้ังหวะพอดีแล้วก็ค่อขยายตัวขยายตัวมาแล้ว จนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกําหนดรูขุตีร่างไหนก็ไม่เห็นมันว่างทั้งหมดเพราะอํนานาจแหงความว่างในภายในสมาธินั้นมันเังมาหาจังไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนงแต่ที่จต า, านั่งต่างหากอ๋ออาจัรไปมันละเห็นร่างกายเห็นทับจริงๆ ไม่มีทางสงสัยว่าพุทธณาฬิกาเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นเนี่ยวันนอกนั้นมามันก็ไม่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมามันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างน้มันเป็นไงเพรามันเป็นประตาม่องพุทธนาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเลยจนกระทั่งการหดความหมายจนมันรู้เข่าทันหมดแล้วเหมือนกายหมด มันเกายเป็นอากาศเป็นธาตหมดท่กายมันว่างมลายมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างแต่ด้วยหลักการพิจาราเราไม่สนใมัน้เป็นก็จะขอมีเพียงพิมาณเรื่งังานะสาคัญสังขารกสัยานสาคัญเอาไปยึดบแบบแบแบบ้วนพิาเข้าใจ มันว่างหมดเลยมันว่างดำฐานนิสิตไะมันเฉยๆก็ว่าไม่ได้ภาวนาก็ว่างที่ยังไงก็ว่างว่างหมดเป็นห้ครูเขามองเห็นดูด้วยตานิรัลายไม่องเห็นดูด้วยตาแต่ใจทะลุไมดมันเป็นเพียงเๆๆมันว่างไปหมดเมื่อถึงขั้นมว่าพอถึงขั้นนี้แล้วก็ทําให้คิดถึงอานาตตาและกนตสุขหยิบผมไม่ทราบเป็นยังไงมันยัง มันขัดขัดกันนี่นะครับอันนั้นสาระกันนั้นถามจะบุญเขียนกันครือเปล่าสมบูรณ์เต็มที่ได้ผมกำลังจะถามต่อไปเพราะที่มันสมมูรเต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริตะปริยาจะสูดรลงถึงขันมรัดมีปิณิบินติมโนทาทำเมสปิณิบินติมโนวิญญาณในปิณิบินติ นมม น, นุสัมภะเซปิเนปิเนปิเนปิมโนสัมผชัดปัญญาปิฏิเวรีตังสุข้างมาดุข้างมาดุขามาดูุดุขมาสุข้างมาตัปนิเป็นบินุตินั่นนี่ถึงใจไดนะ้เพ่นะให้ตับปัญญาสุเบอือนอายในรูปและในเสียงฟ้องกันเบนื่อหน่ายทั้งสัมความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับ รูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทูก ข, ขึ้นมาอยู่ข้างวายอยู่ข้างวาอารกณขมามุขข้างมาเวลาที่ต่างคือมันรยเบิดประการนี้เป็นบิดาติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้เนี่ทั้งทั้ ง, ท, งทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่ขเข้าม า, มาเกี่ยวข้องกเป็นมิญญาขึ้นมาจนถึงกับเกิดเยืนาเบื่อหน่ายทั้งหมดนั้นก็สรุปไปเลยถึงการมรรคทีนี้เป็ น, น, ป น, ปนบิดาติ มีแล้วมาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมานัตมี้ปีนิบินติขึ้นเบื่อหน่ายในใจะมานัตมิ้มันละในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมานัตมิปีนิบินติทำเมสุปีนิบินตปีนิบิติเบื่อหนายในธรรมทําธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณในปินิบินติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ยที่รับสรางกับอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งธรรม มโนวิญญาณมโนปีนีบิาตมโนซ้ำปักเต้ปีนีบิาตบหนาทั้งความสัมผัสมโนซ้ำปักเต้ปีนีบิาตีอ้รื้อช่องทองจนคลองจนแควดี๋ล่ะมันเร่าแตกมันเปเรื่องมโนวิญญาณมโนปีนีบินาตีมโนซ้ำปักเต้ปีนีบินาตี ยามปิดังมโนสัมสประจปัญญาปัติเวรยิตังเกิดขึ้นให้สุยสุขข้างวารู ข, ข้างวารูขมารกข้างวาสุขะตามทุกประจามไม่สมกทุกประจามแต่จนะุบเป็นเวรติเบื่อหน่ายทั้งหมดนะนี่ถึงถึงใจงพอมตอนนี้มีนเป็นปีแล้วิบิดังเวราตติที่เมื่อเบื่อหน่ายเจ้าขอคลายกำหนับนิบิดังเล้วติ นี่เรามุติสิยิมุติสิยิมุติมทนานังโฮติพกตงกรมจะดิงกั้งกรอย่างนั้นระราจติเปนาอะไตีนั่นี่เรม่จากพระกว่าทาศนิคุชานสัจจะโม่จากพระกว่าเด็กๆคู่พระวัวตัวใหญตั้งเป็นันพระสุขหลายนั้นมันมีความนิ่งลงในธรรมเทแต่ว่าอันนี้ันไม่เปนอย่างนั้น เพราาทีุ่จลตันปาอาชกิจุงสุขนะเมอพระองค์เลิกกาธรรมะธรรมะวิยาจะไม่กล่าวว่าขู่หมก็ว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยม หนึ่งพันตัดสากุชสาสัจจะหนึ่งพันนั้นหนึ่งพั น, นั้นได้พนแล้วติตารมิมึกนิมุจิงสุขุดพ้นแล้วอาจะเ็นกิตานิมสุขุดพ้นแล้วจากอาชวะทั้งปวงนังถึงใจแต่คระตากนัสศุขไม่เป็นอย่างนั้น ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนี่นี่แย้งกันอยู่เราเราว่าเขาจะละเสียอานที่ท่านแต่งท่านจะท่านจะตัดถ้ามาตัดยิตจะต้องอยู่นั้นแน่แน่เบญญาในรูปเบรณาในเวทนาบบญญาในส่งงารูปปัติวปีติเวทนาปิวปีติท่านยาปิวิปติท่านฆาเวสปิติ มีนี่กี่มีนาติเบื่อใดในรูปมีนาธนานัญญาสัญญาในวิญญาณมันบินได้แล้วสติเมื่อหนาจั่งขาดกหนักไปแล้วเราเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการท่านรู้เท่าชัดๆเข้าใจชัดๆไม่มีทางถูกลงนั่นสติจริงๆจะให้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาเหมือนรูปยัตนาสัญญาสัญญาในวิญญาณที่มันตาตัวนี้รู้มันทั้งเกิดทั้งดับ มันเป็นอาตาล้วนๆมันลงในอาตาใาการพิจารณาสัญญาที่ใสขงผมนี่จังทุกขังก็ไม่ว่าไปแล้วมันลงอ่ะเป็นอาตาล้วนๆรูปังอาตาเวนาตาสัญญาตาสั้งข้าราชตาวิญญาณาอาตาไปเลยเวลามันจะรวมยอดสมัคนมันมีแต่เป็นธรรมานาตาทั้งนั้นรวนแล้วเป็นธรรมานาตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานาตาไม่ธรรมานานแต่มันก็ไม่แล้วขั้นธ์้านเป็นอาตามันไม่ในร่างในจิตมันจะวิ่เป็นังไม่ไจะติตได้ยังไงนี่ เมื่อบรรนาญยามคากำลังเมื่อคลายกำนังจิตย่อุดพ้นเมื่อกหลุดพ้นงานความรู้แจ้งชัดเราจิหลุดพ้นแล้วย่อมมีย่อมมีเห็นไหมมีมทิติมุทิติงานนางโหดอีกนะงาคนามู้แจ้งชัดเราจิหลุดพ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มีเพียงจะรู้เรู้เท่าขันห้าตอนนั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ามันไม่คลายกำนังอะไรๆถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นเพราะห้านี้อาการนี้มันปล่อยมันแล้วมันก็ยัเหลือแต่จิดดวงเดียวตที่นี่ มันเข้าไพิจารณา น, นั้นอีกเพราะจิตตรงนั้นก็ตัดอาการอมดแล้วสมมุติของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาในเรื่อูปินทางฌานวิญญาณนี้มันถูกตัดอ ม, มุนแล้วคือเรารู้ทา่ทาเท่าฐานเท่าฐานแล้วเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้เราเห็นเราไม่ภากบว่าได้คากําหนัดหรือได้มือพ้นในขณะที่ลอกกันห้านั้นเลยมันต้องฟาดสตินี้ จ, จนแหลก คนนันนี่แต่กระจายเป็นนั่นออกจากนั้นแล้วแต่ว่า น, นี่เป็นดังเรียกสีเรียกมันหมดปัญหานี่ถ้ามันค้างกันมันค้างกันอย่างนี้มันท่านในท่าปฏิบัติเป็นส่วนอตาตมาเล่าคลินเรือ่องในอ ร, ริฏฐพยาสูตรเรายอมรับทันทีเลยนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อนายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อน่ายเรื่องิ่งภายนอกเพราะนั้นแล้วต้องเข้าเบื่อหนายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตอะไรและเบื่อหนานนั้นเสร็จเลย เมื่อไหนเนี่ยทำมาลงเมื่อไหนเน่ยมันสิงที่มาสัมผัสภานจิตทำมาลงอืมจนถึงเป็นทุกเบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตัทนี่กินมนติเลยนะรั่วของการตัดที่นี่เหมือนหมายถึงว่ารั่วทั้งหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรพนามขึ้นตัทนี่ตีเลยทีนี้คือไม่ต้องพูดอีกหลายคนเช่นชื่อคนนั้นที่วันนี้เราเขาขึ้นเลยโซนว่าเขา่หมายเป็นสัพนานใช้แทนตัวอะไแล้วโซนว่าเขาโซนว่ามัน มันนี้ตั๊กนิ่งปีนนิบินติคือบันดาลนสซินตอนนั้นทั้งหมดนี่บิ น, นบาาดแล น, น, น, น า, าตติตายลตลอดนิกิตมันก็เป็นอย่างนั้นพร้อมพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามว่าไปถึงจิตเป็นระโลกในกจิตแล้วมันผ่านพิจารณาขั้นห้านี่พอพิจารณาขาัานขนา้นหาเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตเท่ากับมันผ่านไม่ได้ อ, นนอนนืมันเป็นขวางอยู่นะจิตนจ๊ะ